ประสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะพาหิติยะสูตรว่าด้วยการถวายผ้าพาหิติกามัชฌิมานิกายเล่มที่สิบสามเริ่มต้นที่ข้อห4 9ิมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่นะพระวิหารเชตวันอารามของท่านานาทาบินทิกาเศรษฐีในเขตปรตตกรสาวัตถีครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าท่านพระอ น, นุนุ่งสบงถือบาทและจีบอเข้าไปยังเมืองสาวัตถีเพื่อเที่ยวบินทบาทภายหลังในเวลาพัด กลับจากบินตบาดแล้วเข้าไปยังบุคภารามปราสาทของนางวิสาขามิครามารดาเพื่อพักผ่อนในกลางวันก็ในสมัยนั้นแลพระเจ้าปรเซนที่ก่อสนเสด็จขึ้นประทับบนคอช้างที่ชื่อว่าบุญทริกเสด็จออกจากพระนครสาบถี ในเวลากลางวันได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระอา น, นุ์กําลังเดินมาแต่ไกลจึงได้ตรัสถามอมาตะที่ชื่อว่าสิริวัฒนะนางนิบาเพื่อนสิริวัฒนะนั่นท่านพระอานนุ์ใช่หรือไม่ข้าแต่มหาราชถูกแล้วพระเจ้าข้านั่นคือท่านพระอานนุ์พระเจ้าเปรเซนิโกสล จีน่าตรัสเรียกราชบุรุษผู้หนึ่งมาแล้วบอกว่าบุรุษผู้เจริญท่านจงไปจงเข้าไปหาท่านพระอานนุ์แล้วกราบลงที่เท้าทั้งสองของท่านด้วยเศียรกล้าวตามคําของเราว่าพระเจ้าเปเสนที่โกศลขอกราบเท้าทั้งสองของท่านพระอานนุ์ด้วยเศียรกล้าวและถ้าท่านพระอานนุ์ไม่มีกิจรีบด่วนอะไร ขอท่านพระอนุนจงอาศัยความอนุเคราะห์รอสักครู่หนึ่งเถิดราชเจ้าดุลนั้นจึงได้นำพระราชดำรัสของพระเจ้าประเซนทิโกศลไปเรียนท่านพระอนุนอย่างนั้นท่านพระอนุนได้รับนิมนต์โดยดุสเดียปราบกรณนั้นพ ร, พระเจ้าเปรเซนทิโกศลซึ่งเสด็จดำเนินไปด้วยช้าง จนถึงสุดทางที่ช้างจะไปได้ก็ลงจากช้างและทรงดำเนินเข้าไปหาท่านพระอ น, นุอภิวาทแล้วประทับยืนอยู่นะที่ข้างหนึ่งได้ตรัสกับท่านพระอนุนว่าข้าแต่ท่านพระอนุนผู้เจริญถ้าท่านพระอนุนไม่มีกิจรีบด่วนอะไรขอโอกาสขอเชิญท่านพระอนุนอาศัยความอนุเคราะห์ เข้าไปยังฝั่งแม่น้ำอาจิรวดีเถิดท่านพระนน์ก็รับรัตนาด้วยดุสเดียภาพครั้นท่านพระนน์ได้เข้าไปยังฝั่งแม่น้ำอาจิรวดีนั่งแล้วบนอาสนะที่เขาจัดถวายนโะคนต้นไม้แห่งหนึ่งพระเจ้าเปรเซนทิโกศลก็เสด็จพระราชดำเนินไปด้วยช้าง จนถึงสุดทางแล้วก็ได้ดำเนินไปเข้าหาท่านพระอานนุนอภิวาทแล้วประทับยืนอยู่นะที่ควรข้างหนึ่งได้ตรัสกับท่านพระอนุนว่าข้าแต่ท่านพระอานุ์ผู้เจริญขอโอกาสเถิดขอนิมนต์ท่านพระอานุ์นั่งบนเครื่องลาดไม้นี้เถิดท่านพระอนุนได้ตอบว่าอย่าเลยมหาบาพิษขอเชิญมหาบาพิษ ประทับนั่งเถิดอาตมาภาพนั่งบนอาสนะของอาตมาภาพแล้วในที่นั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลจึงประทับนั่งบนพระราชอาธิที่เขาตกแต่งไว้คลั่นแล้วพระเจ้าเปรตที่โกศลได้ตรัสถามกับท่านพระอ น, นุล์อย่างนี้ว่าพระแต่ท่านพระอนล์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น พึงทรงประพฤติกายสมาจารที่สมณรารมิ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติดเตียนอย่างนั้นบ้างหรือหนอตรนํรราดลมหาบพิษพระผู้มีพระบาเจ้าพระองค์นั้นไม่ทรงประพฤติกายสมาจารที่สมณรารมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติดเตียนได้เลยพระชาปสินิโคศน ข้าแต่ท่านพระอนลผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคเจ้า พ, พระองค์นั้นพึงทรงประพฤติวจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่สมณพราหมู่ผู้รู้แจ้งทั้งหลายพึงติเตียนบ้างหรือหนอท่านพระนุลมหาภพิษพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไม่พึงประพฤติวจีสมาจารหรือมโนสมาจาร ที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงติเตียนได้เลยขอถาวายพระพรประชาชนนิโกศล์ข้าแต่ท่านพระอน์ผู้เจริญข้อนี้น่าสะใจจริงข้อนี้ไม่เคยมีมาเลยก็เราทั้งหลายไม่สามารถจะยังข้อความที่ท่านพระอนนพ์ให้บริบูรณ์ด้วยการแก้ปัญหาให้บริบูรณ์ด้วยปัญหาได้ ขาแต่ท่านพระนุนผู้เจริญส่วนชวนเหล่าใดเป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญาไรรกรวนพิจารณาแล้วกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่าอื่นเราทั้งหลายย่อมยึดถือการกล่าวคุณหรือโทษของชนเหล่านั้นโดยความเป็นแก่นสารข้าแต่ท่านพระนุนผู้เจริญก็กายะสมาจาร ที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงตีเตียนขอน้อเน้นเป็นอย่างไรมาบาพิษกายะสมาจารที่เป็นอกุศล น, นั้นแหลที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงตีเตียนขอถวายพระพรก็แต่ท่านพระนนทผู้เจริญก็กายยะสมาจารที่เป็นอกุศล น, นั้นเป็นอย่างไร มาบพิษกายสมาจารที่มีโทษนั่นแลเป็นอกุศลขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระนนก็กายสมาจารที่มีโทษเป็นอย่างไรมาบพิษกายสมาจารที่มีความเบียดเบียนนั่นแลเป็นกายสมาจารที่มีโทษข้าแต่ท่านพระนน ก็กายะสมาจารที่มีความเบียดเบียนนั้นเป็นอย่างไรมหาบพิษกายะสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากนั่นแหละเป็นกายะสมาจารที่มีความเบียดเบียนข้าแต่ท่านพระนพผู้เจริญก็กายะสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากนั้นเป็นอย่างไรมหาบพิษกายะสมาจารใดแล ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างอาคุโสลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งแกบุคคลผู้มีกายะสมาจารนั้นกุโสลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมไปมหาภิษกายะสมาจารเห็นปานนี้แลสมรภรามณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้ง พึงติเตียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระนนทผู้เจริญก็แล้ววจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึงตีเตียนนั้นเป็นอย่างไรหมาบภิษ ว, วจีสมาจารหรือมโนสมาจารที่เป็นอกุศลนั่นแหละที่สมณพราหมณ์ทั้งหลาย ผู้รู้แจ้งปึงตีเตียนขอถวายรพระปรข้าแต่ท่านพระนน์ก็มโนสมาจารที่เป็นอกุศล น, นั้นเป็นอย่างไรมหาบพิษมโนสมาจารที่มีโทษนั่นแหละเป็นอกุศลข้าแต่ท่านพระนน์ก็มโนสมาจารที่มีโทษนั้นเป็นอย่างไรมหาบพิษ มโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนนั่นแหละเป็นมโนสมาจารที่มีโทษขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระนนผู้เจริญก็มโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนนั้นเป็นอย่างไรหมาบภิษมโนสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากนั่นแหละเป็นมโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพร ข้าแต่ท่านพระนนท์ผู้เจริญก็แล้วมโนสมาจารที่มีทุกข์เป็นวิบากนั้นเป็นอย่างไรมาบพิษมโนสมาจารันใดแลย่อมเป็นไปเพื่อบีดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างอากุโสลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งแก่บุคคล ผู้มีมโนสมาจารน์นั้นกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเสื่อมไปมาบพิษมโนสมาจารย์เห็นป่านนี้แหละสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งพึ่งติเตียนพอถวายพระป่อนข้าแต่ท่านพระนนทผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นสันเสริญการละอักกุศลธรรมทั้งปวงทีเดียวอย่างนั้นหรือหนอ มหาบาพิษพระธาคตทรงละกุศลธรรมได้ทั้งปวงทรงประกอบด้วยกุศลธรรมทั้งปวงข้าแต่ท่านพระนุนผู้เจริญก็กายยะสมาจารที่สํานัปรามทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงตีเตียนนั้นเป็นอย่างไรมหาบาพิษกายยะสมาจารย์ที่เป็นกุศลนั้นแหละ สมณพรมทั้งหลายผู้รู้แช่ไงไม่พึงตีเตียนขอถาวายพระอรข้าแต่ท่านพระนรนผู้เจริญก็กายะสมาจารที่เป็นกุศล น, นั้นเป็นอย่างไรมหาภิฏกกายะสมาจารที่ไม่มีโทษนั่นแหละเป็นกุศลข้าแต่ท่านพระนรนผู้เจริญก็กายยะสมาจารที่ไม่มีโทษนั้นเป็นอย่างไร มหาบพิตกายะสมาจานที่ไม่มีความเบียดเบียนนั่นแหละเป็นกายะสมาจานที่ไม่มีโทษท่านพระนพผู้เจริญก็แล้วกายะสมาจานที่ไม่มีความเบียดเบียนนั้นเป็นอย่างไรมหาบพิตกายะสมาจานที่มีสุขเป็นวิบากเป็นกายะสมาจานที่ไม่มีความเบียดเบียน ข้าแต่ท่านพระนนก็แล้วกายะสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากนั้นเป็นอย่างไรมาบอบพิษกายะสมาจา์ใดแลย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตัเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้าง อกุศรธรรมทั้งหลายของบุคคลผู้มีกายยะสมาจาร น, นั้นย่อมเสื่อมไปกุสรธรรมทั้งหลายย่อมเจริญยิ่งมหบพิตรกายยสมาจานเห็นป่านนี้แหละสมณพรามทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่ปึงติเตียนขอถาวายพระอรข้าแต่ท่านพระนนทผู้เจริญก็วจีสมาจาร หรือมโนมสมาจารที่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่ปึงตีเตียนนั้นเป็นอย่างไรมหาบพิษมโนสมาจารที่เป็นกุศลนั่นแหละสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่ปึงตีเตียนขอถาวายพระพรก็แต่ท่านพระนนก็แล้วมโนสมาจารที่เป็นกุศลนั้น เป็นอย่างไรมหาภปิธมโนสมาจารที่ไม่มีโทษนั่นแหละเป็น Ils. มโนสมาจารที่เป็นกุศลข้าแต่ท่านพระนน์ก็แล้วมโนสมาจารที่ไม่มีโทษนั้นเป็นอย่างไรมหาปปิธมโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนนั่นแหละเป็นมโนสมาจารที่ไม่มีโทษข้าแต่ท่านพระนน์ ก็แล้วมโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนนั้นเป็นอย่างไรมหาบพิษมโนสมาจารที่มีสุขเป็นวิบากนั่นแหละเป็นมโนสมาจารที่ไม่มีความเบียดเบียนขอถวายพระพรข้าแต่ท่านพระนนก็แล้วมโนสมาจารย์ที่มีสุขเป็นวิบากนั้นเป็นอย่างไรมหาบพิษ มโนสมาจารอันใดแล ย, อ ย, ย่ อ, ยยนน อ, ยอมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตัวเองบ้างย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างอกุศลธรรมทั้งหลายของบุคคลผู้มีมโนสมาจารนั้นย่อมเสื่อมไปกุศลธรรมทั้งหลายย่อมเจริญขึ้น มหาะพิษรมโนสมาจารย์เห็นปานนี้แหละสมณพ ร, รมทั้งหลายผู้รู้แจ้งไม่พึงตีเตียนขอถาวายพระพรข้าแต่ท่านพระนนผู้เจริญก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงสันเสริญการเข้าถึงกฎศรธรรมทั้งปวงทีเดียวอย่างนั้นหรือหนอมหาบพิษพระตตาคตทรงละอ่ะ กุศลธรรมได้ทั้งปวงทรงประกอบด้วยกุศลธรรมทั้งปวงขอถวายพระพรแฟ่แต่ท่านพระนนทผู้เจริญข้อนี้น่าสารใจจริงข้อนี้ไม่เคยมีมาเลยคือท่านพระนนท์กล่าวพาสิทธ์นี้ดีเพียงใดพวกเราทั้งหลายมีใจชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งด้วยปาสิทธ์ของท่านพระนนทนี้เราทั้งหลาย ยินดีเป็นอย่างยิ่งด้วยพระสิทธิ์ของท่านพระอนน์อย่างนี้ถ้าว่าช sì, ้างแก้วพึงควรแก่ท right, ่านพระอนนท์ใช้แม้ช um ้างแก้วของเราทั้งหลายก็พึงถวายแก่ท่านพระอนน์ถ้าม้าแก้วพึงควรแก่ท่านพระอนนท์ใช้แม้ม้าแก้วทั้งหลายเราก็พึงถวายแก่ท่านพระอนนท์าว่าแม้บ้านซวย พึงควรแก่ท่านพระอนทน์ใช้แม้บ้านสวยของเราทั้งหลายก็พึงถวายแก่ท่านพระอ น, นุนก็แต่ว่าเราทั้งหลายรู้อยู่ว่านั่นไม่สมควรแก่ท่านพระอนทนข้าแต่ท่านพระอนทนผู้เจริญผ้าพาหิติีกาผืนนี้โดยยาวสิบกศอกท่วนโดยกว้างแปดศอกท่วนพระเจ้าแผ่นดินมคตพระานามว่า พระเจ้าอาชาศัตรูผู้เวเทหีบุตรทรงใส่ในคันทชัดส่งมาประธานแก่ข้าพระเจ้าข้าแต่ท่านพระนพผู้เจริญขอท่านพระนพโปรดอนุเคราะห์รับผ้าพาหิติกานีเ้เถิดท่านพระนนมหบพิษข้อนั้นอย่าเลยไตรจีวรของอัตมาภาพบริบูรณ์แล้วขอถวายพระพร ข้าแต่ท่านพระนลผู้เจริญก็แม่น้ำอาจิราวดีนี้ท่านพระนลและเราทั้งหลายเห็นแล้วเบียบเหมือนมหาเมฆยังฝนให้ตกเบื้องบนภูเขาภายหลังแม่น้ำอาจิราวดีนี้ย่อมไหลล้นฝั่งทั้งสองฉันใดท่านพระนลก็ฉันนั้นเหมือนกันจะทำไตรจีวรของตนด้วยผ้าพากิติกานี้ และจากแจไตรจีวรเก่ากับเพื่อนปรมจัน ร, ร์ทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้ทักษีนาของเราทั้งหลายนี้คงจะแพร่หลายไปดังแม่น้ำล้นฝั่งฉะนั้นข้าแต่ท่านพระนนทผู้เจริญขอท่านพระนนทโปรดรับผ้าพาหิติกานี้เถิดท่านพระนนก็ได้รับผ้าพาหิติกาในลําดับนั้นนั่นแหละ พระเจ้าเปรเซนิโกศนได้ตรัสอำลาท่านพระอนุนว่าข้าแต่ท่านพระอนุนผู้เจริญก็พวกเราทั้งหลายขอลาท่านในบัดนี้พวกเราทั้งหลายมีกิจการงานมากมีกระีุยามากท่านพระอนุนมาบพิษขอมหาบพิษท่งทราบการนันัวรในบัดนี้เถิดลำดั บ, บนั้นพระเจ้าเปรเซนทิโกศน ทรงชื่นชมปาสิทธ์ก่อนท่านพระอนุ์แล้วเสด็จลุกขึ้นจากที่ประทับถวายภิวาทแล้วทรงกระทำประทักษิณแล้วก็เสด็จกลบับแบบนั้นเมื่อพ ร, ระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลเสด็จกลับไปได้ไม่นานท่านบราอนุนได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ วายบังคมแล้วนั่งหน้าที่ควรข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลถึงการเจรจาปราสัยพระพระเจ้าเปอร์เซนติโกสนทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคและได้ทูลถวายผ้าพาหิติกานั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้านั่นแหละลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกสุทั้งหลายว่าภิกสุทั้งหลาย ข้อนี้เป็นลาบของพระเจ้าเปรตที่โกศลพระเจ้าเปรตที่โกศลทรงได้ดีแล้วหนอที่เท้าเธอได้เห็นอานน์และได้ประทับนั่งใกล้อานน์เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสพุทธพจนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นพากันชื่นชมยินดีในพาะสิทธิของพระผู้มีพระภาคเจ้าแหล ภาหิติยาสูตรจบประสุท์ที่สาานาสูตรในอังคุตรานิกายเล่มที่23ข้อที่49มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณฝั่งสระ บ, บารีชื่อคัค ข, ะขะราใกล้นครจำปาครนั้นอุบาสก ชาวเมืองจำปามากคนด้วยกันเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งน้าที่ควรข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรผู้เจริญทำมิกขาที่ได้ฟังเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคพวกกระผมได้ฟังมานานแล้วขอได้โปรดท่านพระสารีบุตร ให้พวกกระผมได้ฟังธรรมิกถาของพระผู้มีพระภาคเฉพาะพระพักด้วยเถิดท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงมาในวันอุโบสถท่านทั้งหลายจะพึงได้ฟังธรรมิกถาในสํานักของพระผู้มีพระภาคแน่นอนอุบาสกชาวเมืองจำปารับคาแล้วจึงลุกจากที่นั่ง อภิวาทแล้วกระตำประทักสินหลีกไปต่อมาถึงวันอุโบสถอุบาสกชาวเมืองจำปาพากันเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่อภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่ควรข้างหนึ่งดังนั้นท่านพระสารีบุตรพร้อมด้วยอุบาสกชาวเมืองจำปาจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ตั้งถวายอภิวาทแล้วนั่งหน้าที่ควรล้างหนึ่งกลันแล้วท่านพระสารีบุตรได้ตูลตามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้มีอยู่หรือนอนแลที่ทานที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากแต่ไม่มีอันนี้สงมากและทานที่บุคคลให้แล้วมีผลมาก และมีอันนี้สงมากข้อนั้นพึงมีอยู่หรือหนอแลพระโชค่าพระผู้มีพระบารมได้ตรัสตอบว่าสารีบุตรทานเช่นนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากแต่ไม่มีอันนี้สงมากก็มีอยู่และทานที่บุคคลให้แล้วมีผลมากมีอันนี้สงมากก็พึงมีอยู่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้ทานเช่นนั้นนั่นแลที่บุคคลบางคนให้แล้วมีผลมากแต่ไม่มีอ น, นิสงส์มากและอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้ทานที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากมีอ น, นิสงส์มากพระชจ้าข้าสารีบุตร คือบุคคลบางคนในโลกนี้ยังมีความหวังให้ทานมีจิตผูกพันให้ทานมุ่งการสังสมให้ทานให้ทานด้วยคิดว่าเราตายไปจะได้เสวยผลถาดนี้เขาให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอน ที่อยู่อาศัยประทีปหรืออุปกรณ์ต่างๆแกสมณะหรือปรามสารีบุตรเธอจะสาคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้พึงให้ทานด้วยเหตุเห็นป่า น, นี้มิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นหระอเจ้าข่าสารีบุตรการให้ทานนั้นบุคคลมีความหวังในการให้ทาน มีจิตผูกพันในการให้ทานมุ่งการสั่งสมให้ทานให้ทานด้วยคิดว่าตายไปแล้วจะได้สวยผลานนี้เขาผู้นั้นให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้ว ก็ยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สาริบุตรส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีความหวังให้ทานไม่มีจิตผูกพันในผลให้ทานไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานไม่คิดว่าตายไปแล้วจะได้เสวยผลฐานนี้ แล้วก็ให้ทานแต่ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานนั้นเป็นการดีเขาก็ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเรื่องรูปไหลที่นอนที่อยู่อาศัยเรื่องปริทีนและอุปกรณ์แก้สมนา้ปรามสาริบุตรเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร บุคคลบางคนในโลกนี้พึงให้ทานด้วยเหตุเห็นป่า น, นั้นไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระชจา ข, ข้าสารีบุตรในการให้ทานนั้นบุคคลไม่มีความหวังแล้วให้ทานไม่มีจิตผูกพันในผลทานไม่มุ่งสั่งสมแล้วให้ทานไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าตายไปแล้ว จะได้สวยผลทานนี้แต่ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานนั้นเป็นการดีเป็นต้นเมื่อเขาตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงเมื่อเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้ ซาลิบุตสว่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานนั้นเป็นการดีแต่ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้ทานเคยทํามาเราก็ไม่ควรทําให้เสียประเพณีเขาจึงให้ทานคือข้าวน้ําเป็นต้น เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นยามาเขาสินส้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรชนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่ามารดาปู่ย่าตายายเคยให้เคยทํามา เราไม่ควรทำให้เสียประเพณีแต่ว่าเขาให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินเองส่วนสมณพราหม์เหล่านี้ไม่หุงหากินได้เราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่สมณะหรือพรามผู้ไม่หุงหากก็ไม่สมควรเขาจึงให้ทานคือให้ข้าวน้ำเป็นต้น เขาย่อมถึงความเป็นสายแห่งเทวดาชั้นดุสิตเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้สาริบุตรส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินเองได้สมณะและบราม์เหล่านี้หุงหากินไม่ได้ เราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่สมณนะหรือปรามผู้หุงหากินไม่ได้ก็ไม่ควรแต่ให้ทานด้วยการคิดว่าเราจะเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนฤอษีแต่ครั้งก่อนคืออัทธกะฤๅษีว่ามะกะฤๅษีวามะทวถะฤๅษีเวสามิตรฤๅษี ยมามะท ก, กิหรือสีอังกีรถหรือสีภารัตวาชาหรือสีวาเสต้าหรือสีกัสปะหรือสีและพะคุหรือสีทำการบูชามหายัณฉะนั้นเขาจึงให้ทานคือให้ข้าวน้ำเป็นต้นเขาย่อมถึงความเป็นใยแห่งเทวดาฉนันนิ ม, มานารตดี เมื่อสิ้นคำรรสิ้นฤทธิสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สาริบุตรส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราจะเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนฤาษีในแต่ครั้งก่อนแต่เขาให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานอย่างนี้ ที่จะเลื่อมใสเกิดความเลื่อมใจและโสมนัสเขาจึงให้ทานคือข้าวน้ำเป็นต้นเขาย่อมถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปรินิมิตะสวัสดีเมื่อเขาสิ้นกรรมสิ้นยศสิน้นฤทธิ์หมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สาธุ ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อให้ทานอย่างนี้ทีจ่จะเกิดความเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจและโสมนัสแต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเขาจึงให้ทานคือให้ข้าวน้ําผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปลาย ที่นอนที่อยู่อาศัยประเทบและเรื่องอุปรกรณ์ต่างๆแกสมณะหรือปามทั้งหลายสารีบุตรเราจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้พึงให้ทานด้วยเหตุผลในป่า น, นี้มิใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าสารีบุตรการให้ทานนั้น บุคคลไม่มีความหวังในการให้ทานไม่มีจิตผูกพันในการให้ทานไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราตายไปแล้วจะได้เสวยผลของทานนี้ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีไม่ได้ให้ทานด้วยการคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายาย เคยให้เคยทำมาเราไม่ควรทำให้เสียประเพณีหรือไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินได้สมณนะหรือรามเหล่านี้หุงหากินไม่ได้จะไม่ให้ทานแก่ผู้หุงหากินไม่ได้นั้นไม่ควรและไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเราจะเป็นผู้จำแนกแจกทานเหมือนอย่างฤาษีที่ทำมาในครั้งก่อน และไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานนี้จิตจะเลื่อมใสจะเกิดความปลื้มใจและโสมนัสแต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเขาให้ทานเช่นนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นพรหมเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้ว เป็นผู้ไม่ต้องกลับมาคือไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้สาริบุตรนี่แหละคือเหตุปัจจัยเป็นเครื่องให้ทานเช่นนั้นที่บุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากไม่มีอนิสงส์มากและให้แล้วมีผลมากมีอนิสงส์มากอย่างนี้แหละฟังธรรมคำพุตธะ